ปาจิตต์สปานกกาวักที่เจสิกขาบทที่หนึ่งว่าอันหนึ่งภิกษุใดแปลงพรากสัตว์จากชีวิตเป็นปาจิตตีสัตว์ในที่นี้เรียกในบาลีว่าปาโนแปลว่าอินทรีย์อันมีปรานคือลมหายใจและความเป็นอยู่ในที่นี้หมายเอาสัตว์ดิรัชานชนิดใหญ่เล็ก เป็นวัตถุแห่งปาจิตตีเสมอกันหมดเพราะมีสิกขาบทบัญญัติไว้เฉพาะเรื่องดังนี้ในตัติยป ร, ราชิกสิกขาบทจึงไม่ได้กล่าวว่าเป็นวัตถุแห่งทุกกฎโดยอนุโลมกันลงมาปาจิตตีสัพปานกกวัคสิกขาบทที่สองว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ บริโภคน้ำมีตัวสัตว์เป็นปาจิตติดื่มกินก็ดีอาบก็ดีใช้สอยอย่างอื่นก็ดีนับว่าบริโภคทั้งนั้นปาจิตตีสัปปานกาวกสิกขาบทที่สามว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ ฟื้นอาิกรที่ทำเสร็จแล้วตามธรรมเพื่อทำอีกเป็นปาจิตตีเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำเรียกว่าอาิกรทนแจกประเภทสี่คือวิวาทได้แก่การถกเถียงกันปรารุพระธรรมวินยัยเรียกวิวาธาธิกรนีจะต้องได้รับชี้ขาดว่าถูกว่าผิดความโจทย์หากันด้วยอาบัต เรียกอนุวา ท, าทิกร น, นี้จะต้องได้รับวินิจฉัยว่าจริงหรือไม่จริงกิริยาที่ต้องอาบัตหรือถูกอาบัตเรียกอาบัตตาทิกร น, นี้จะต้องทําคืนคือทําให้พ้นโทษกิจธุระที่สงจะพึงทําเช่นให้อุปสมบทเรียกกิจจาทิกร น, นี้จะต้องทําให้สําเร็จ เมื่ออาิกรเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสงก็ดีบุคคลก็ดีได้จัดได้ทำสำเร็จโดยชอบแล้วคือได้ทำโดยควรแก่เหตุผลหรือได้ทำถูกต้องแบบอย่างแล้วภิกษุใดรู้อยู่ถือว่าเป็นอิสระฟื้นเอาขึ้นทำใหม่ต้องปาจิตติเว้นไว้แต่เข้าใจว่ากรรมที่ทำนั้นไม่เป็นธรรม ปาจิตติสปานกะวักสิกขาบทที่สีว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ปิดอาบาดชั่วหยาบของภิกษุเป็นปาจิตติอาบาดชั่วหยาบนั้นในคำภีวิพังแก้ว่าได้แก่ป ร, ราชิกสีและสังคาที่เศษสิสาแต่ในอัทธกถาว่าได้แก่สังคาที่เศษอย่างเดียว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 ข้าพเจ้าเห็นว่ายกสิกขาบทนี้ขึ้นปรับได้ในสังคาทิเศษสิกขาบทที่เจ็ดอันว่าด้วยโจทย์อาบัติปา ร, ราชิกไม่มีมูลนั้นในวิพังของสิกขาบทนั้นแก่ว่าถ้าบุคคลไม่บริสุทธิ์คือต้องปา ร, ราชิกแล้วแต่ตนสำคัญว่าบริสุทธิ์โจทย์ด้วยปา ร, ราชิกอื่นอันไม่มีมูลผู้โจทย์ต้องสังคาทิเศษเหมือนกัน นี่เป็นตัวอย่างจะผึงเอามาเทียบในที่นี้ว่าคำว่าของภิกษุนั้นหมายความตลอดถึงผู้ปฏิญญาว่าเป็นภิกษุไม่ตั้งใจจะปิดแต่ไม่มีเหตุก็ไม่ได้บอกผู้ใดผู้หนึ่งไม่เป็นอาบัติถ้าคิดเห็นว่าบอกไปผลจะร้ายกว่านิ่งเสิแล้วไม่บอกในคำพีวิพังท่านอนุ ญ, ญาต เมื่อเพ่งถึงเจตนาก็หวังจะป้องกันผลอันร้ายกว่าต่างหากไม่จัดว่าปิดห ม, มายเหตุผู้อ่านในที่นี้คืออัธกถาแก้ว่าเป็นสังฆาทิเศษอย่างเดียวปรติความคำว่าของภิกษุซึ่งท่านถือว่าพระที่ประราชิกแล้วไม่ถือว่าเป็นภิกษุแต่สมเด็จท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นว่า คว น, นับการปกปิดอาบัติปาราชิกไว้ด้วยเพราะแม้จะไม่ใช่ภิกษุแต่ก็ปฏิญญาตนหรือแสดงตนให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นภิกษุปาจิตติสั ป, ปานกาวัคสิกขาบทที่ห้าว่าอ น, นึ่งภิกษุใดรู้อยู่อย่างบุคคลมีปีย่อน20สบให้อุปสมบท บุคคลนั้นไม่เป็นอุปสัมบันด้วยภิกษุทั้งหลายนั้นถูกติเตียนด้วยนี้เป็นปาจิตตีในเรื่องนั้นมีอธิบายว่าภิกษุทั้งหลายรู้อยู่เข้าประชุมเป็นสงฆ์อย่างบุคคลอายุย่อนยี่สิบให้อุปสมบทอุปชายะต้องปาจิตตีภิกษุนอกจากนั้นต้องทุกขกด บุคคลผู้อุปสมบทนั้นไม่เป็นภิกษุต้องถือว่าเป็นสามเณรตามเดิมปาจิตตีสั ป, ปานกาวัตสิกขาบทที่หกว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ชักชวนแล้วเดินทางไกลาสายเดียวกันกับผู้เกวียนพวกต่างผู้เป็นโจร โดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งเป็นปาจิตติพวกเวียนพวกต่างผู้เป็นโจร น, นั้นคือพวกคนค้าขายผู้ลักซ้อนของต้องห้ามเข้ามาเช่นนี้ในบนัดนี้ลอบเอาฝิ่นเถื่อนเข้ามาหรือซ้อนของควรเสียค่าภาษีในคำพีวิพังแก่ตลอดมาถึงพวกโจรผู้ทำจรกรรมมาหยกๆยกก็ดีไม่ได้ทำดังนี้ก็ดี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 ท่านกำหนดกึ่งโยนดเป็นเขตไม่ได้ชักชวนกันไปต่างคนต่างเดินแม้ในทางสายเดียวกันไม่เป็นอาบัติปาจิตติสัปปานกาวัคสิกขาบทที่เจว่าอันหนึ่งภิกษุใดชักชวนแล้วเดินทางไกลาสายเดียวกัน กับมาตุคามโดยที่สุดแม้เส้นระยะบ้านหนึ่งเป็นปาจิตติมาตุคามในที่นี้ท่านแก้ว่าหญิงมนุษย์รู้เดียงสาในสิกขาบทนี้ไม่มีคำว่ารู้อยู่เป็นมาตามความมุ่งหมายเดิมหรือตกเสียงเมื่อครั้งไรข้าพเจ้าไม่แน่ใจแต่เพราะขาดบทนี้ท่านจึงแก้ว่า อาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะคือแม้ไม่จงใจก็ต้องอาบัตอธิบายนอกจากนี้เหมือนในสิกขาบทก่อนปาจิตตีสั ป, ปานกะกวักสิกขาบทที่แดว่าอันหนึ่งภิกษุดใดกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงแล้วโดยประการว่าเป็นธรรมทำอันต ร, รายได้อย่างไรธรรมหรือธรรมะนั้นอ า, อาจทําอันต ร, รายแก่ผู้เสพได้จริงไหมภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้พูดอย่างนั้นท่านอย่าได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีดอกพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลย แน่เธอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมอันทมอันตรายไว้โดยบรรยายเป็นอันมากก็แลธทธำนั้นอาจทมอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงและภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนั้นขืนถืออย่างนั้นแลภิกษุอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดประกาศห้ามจนหนที่สามเพื่อสลา ก, การนั้นเสียถ้าเธอถูกสวดประกาศห้ามอยู่ จนคนที่สามสละการนั้นเสียการสละได้ดังนี้นั่นเป็นดีถ้าไม่สละเป็นปาจิตติปาจิตติสปานกกวัคสิกขาบทที่9ก้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่กินร่วมก็ดีอยู่ร่วมก็ดี สำเร็จการนอนด้วยกันก็ดีกับภิกษุผู้กล่าวอย่างนั้นยังไม่ได้ทำธรรมอันสมควรยังไม่ได้สลาทิฐินั้นเป็นปาจิตติคําว่ายังไม่ได้ทําทําอันสมควรทําคําแรกสะกดด้วยทอทหารคือการกระทําส่วนทําอีกคําสะกดด้วยทอธงคือธรรมะนะครับ การกินร่วมนั้นหมายความว่าคบหาในคำภีวิพังแจกไว้เป็นสองคือคบหากันในทางอามิตรได้แก่ให้หรือรับอามิตรเรียกอามิตรสมโพคอย่างหนึ่งคบหากันในทางเรียนธรรมคือธรรมะได้แก่บอกธรรมให้เธอหรือคอเรียนจากเธอเรียกว่าธรรมะสมโพคอย่างหนึ่ง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 อาจจะมีภิกษุอวดดีขัดคานพระธรรมวินัยว่าไม่ถูกอันเป็นเหตุเกิดแก่งแย่งขึ้นในมูเป็นหน้าที่ของภิกษุทั้งหลายจะต้องห้ามปรามเพื่อลาักการนั้นเสียให้ทำโดยละม่อมละไมก่อนคือว่ากล่าวแนะนำตักเตือนถ้ายังขืนถือรันอยู่เช่นนั้นมีพระพุท ธ, ธานุญาตให้สงสวดประกาศห้ามด้วยอาณาสง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 ลาทิฐินั้นเสียสงสวดประกาศระ ง, งับโทษยอมให้เข้าสมาคมอีกได้สิกขาบทหลังห้ามการสมาคมกับภิกษุนั้นตลอดเวลาที่ยังคืนถืออยู่อย่างนั้นปาจิตตีสัปาน ก, กาวัคสิกขาบทที่สิบว่า ถ้าแม้สมณนุเทศคือสามเณรกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วด้วยประการที่ตรัสว่าเป็นธรรมธรรมอันตรายได้อย่างไรธรรมนั้นหาอาจธรรมอันตรายแก่ผู้เสพนั้นได้จริงไม่สมณนุเทศนั้นอันทิกสูตรทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าสมณนุเทศเธออย่าได้พูดอย่างนั้นเธออย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้า การกล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีดอกพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยแน่สมานุเทศเธอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมทำอันตรายไว้โดยบรรยายเป็นอันมากก็แลทำเหล่านั้นอาจทำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงและสมานุเทศนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนั้นคืนถืออย่างนั้นเทียวสมนุเทศนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าแน่สมานุเทศเธออย่าอ้างพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นว่าเป็นพระศาสดาของเธอตั้งแต่วันนี้ไปและพวกสมานุเทศอื่นย่อมไดการนอนร่วมเพียงสองถึงสามคืนกับภิกษุทั้งหลายอันใดแม้กิริยาที่ได้การนอนร่วมนั้นไม่มีแกเธอเจ้าคนเสียเจ้าจงไปเสียเจ้าจงฉิบหายเสีย ลาภิกษุใดรู้อยู่เกลียกล่อมสมนุเทศผู้ถูกให้ชิบหายเสียอย่างนั้นแล้วก็ดีให้อุปถาก็ดีกินร่วมก็ดีสำเร็จการนอนร่วมก็ดีเป็นปาจิตตีอธิบายความแห่งสิกขาบทนี้ต่ออนุสนธิจากสิกขาบทก่อนว่าถ้าสมนุเทศคือสามเณรกล่าวคัดค้านพระธรรมมาวินัยอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลายห้ามรา ม, มิฟังจะสวดประกาศยกจากสมาคมเหมือนยังทำแก่ภิกษุไม่ได้จึงมีพระพุท ธ, ธานุญาตให้นาสนะเสียและห้ามไม่ให้ภิกษุเอามาเลี้ยงไว้ปรับโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนเป็นปาจิตตีคำว่านาสนะหรือนาสนาหมายถึงให้ชิบหายเสีย คือการลงโทษบุคคลผู้ไม่สมควรถือเพศมีสามอย่างคือ 1. ลิงคนาสนาให้ชิบหายจากเพศคือให้ศึกเสีย 2. ทันฑกรรมนาสนาให้ชิบหายด้วยการลงโทษ 3. สังวาสนาสนาให้ชิบหายจากสังวาส